ต้องทบทวนเรื่องเรื่องเดิมอ่ะนะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเรื่องสังขารเรื่องสังขารวันก่อนที่เราคุยบรรดาลาไก่โยมสองคนไม่ได้มาคือ <sin ian serio> จะโยมโยมเคยฟังตอนสาราไก่ตอนที่เอาลงพยาบาลอภัยภูเวศมาที่ไปอ่างจก็พูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่างไงก็ถึงไม่พูดโยมก็ต้องไปดูสังขารอยู่แล้ว สังขารที่เราเข้าใจไหนลองอลองใครจะพูดก็ได้ว่าคืออะไรร่างกายจิตใจคือลูกทำน้ำทำทั้งหมดทั้งสิ้ น, นไม่เที่ยงมีแล้วหายไปมีแล้วหมดไปนี่จริงๆมันง่ายมากนะในการที่จะทําความเข้าใจคือร่างกายจิตใจก็คือทั้งก้อนอยู่แล้วถูกปะ่ะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่อยู่ในในตัวเนี่ยสังขารหมดนะจะรู้หรือไม่รู้มันก็ยังมีอยู่ชัดเจนนะ จะรู้หรือไม่รู้ก็มีอยู่จะเห็นหรือไม่เห็นก็มีอยู่แต่การจะพ้นทุกข์ได้คือต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วต้องปล่อยเมื่อเห็นแล้วคือไม่ยึดถือมาเป็นของตนไม่งงไม่งงนะเห็นตัวเราไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่ามาฟังธรรมถูกไหมโยมไม่ต้องลืมตาเลยใจรู้ได้ใช่ไหมว่าตัวเราทั้งตัวมาฟังธรรม ตัวทั้งตัวเนี้ยนี่แหละเป็นสิ่งที่รู้แล้วก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือมันไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่มีตัวเหมือนเดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นตัวเวลามันจะเจ็บจะป่วยจะแก่ไม่มีเจ้าของก็ไม่มีผู้ทุกแต่ตัวมันอะ่ะมันทุกโดยตัวมันเองแต่ผู้ทุกที่เป็นผู้เสวยเป็นผู้รองรับ ว่าฉันเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีตัวฉันมีแต่สังขารทั้งปวงที่มันมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแต่เราไม่ได้หายไปไหนเพราะเราไม่มีเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนนะชัดไหมไม่ชีชัดไห ม, ไ ม, ไหมยมซ้มชัดไหมที่เราพูดอย่ามีแต่นะพอเราบอกชัดแต่ ไม่มีคาว่าแต่เพราะตัวแต่นี่แหละคือตัวเงื่อนไขทำให้เราไม่พ้นทุกข์แต่ที่เราพูดนี้เป็นสูอ่าเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์แต่ถ้ามีแต่แสดงว่ามีเงื่อนไขที่จะทำให้ไม่พ้นทุกข์เพราะนั้นจงรู้เท่าทันถ้าไอสังขารนี่มันพูดคำว่าแต่ก็เห็นว่าเออมันเป็นสังขารแล้วก็วางไอตัวแต่โอเคไหมอ่ะเพราะคำพูดก็คือสังขารใช่ไหม พูดในใจบอกแต่แล้วก็ยาวไปหน่อยคืออะไรก็คือสังขารเห็นมันปล่อยไปไม่ยึดถือเอามาผูกพันผูกมัดซื่อๆไหมรู้แล้วก็ปล่อยทีนี้ตรงเนี้ยที่พูดย้าก็เพราะอะไเพราะเป็นสิ่งที่โยมนิคขำสมมติเลยนะโยมมันไม่มีเป็นสิ่งที่จะต้องไปเห็นให้มากไปทำให้แจ้ง ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าของใครใครทำแล้วเราได้แค่บอกความเพียรคือความความความเพียรคืออะไรคือมีสันทะมีความพอใจที่จะไปรู้ไปเห็นตัวเราทั้งตัวนี่คือความเพียพระฉนนั้นเพียรตอนไหนเพียรตอนที่ตื่นตอนที่หลับเพียรไม่ได้ใช่ไหม ตอนที่เดินได้แต่หลับคือขาดสติก็เพียนไม่ได้มันจะต้องมีสติตื่นรู้อยู่มเมื่อกี้เดินขึ้นมาเนี้ยรู้ตัวบ้างไหมว่าเราเดินหรือไม่รู้เลยรู้ว่าเราว่าไปพูดกับเขาแต่เราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นผู้พู ด, พดนี่พลาดไหมแ <c oughs> <c oughs> ม่ชีชวนคุยไหมเมื่อกี้สักครู่อันชวนขึ้นิดหนแล้วก็รูดโ เออรู้ตอรรู้เตอร์น่แหะรู้เตอร์นี่แหละเออคุยได้แต่รู้ตัวรู้ตัวจะต้องต้องฝึกพูดทกางกลางเออคุยได้แต่ต้องรู้ตัวว่าใครเป็นคนคุยใช่ป่ะอย่างตอนนี้เหตุการณ์จริงดูเห็นเขาไหมแล้วก็เห็นเห็นตัวเราไม่ที่เป็นผู้เห็นต้องเห็นนอกเห็นใน เห็นโยมส้มยกอันนี you you also, ้มาตัวเราไปเห็นเขาแต่ขณะเดียวกันขณะเดียวกันเห็นตัวเราที่เป็นผู้เห็นแต่ส่วนมากลืมเนาะพอเห็นเขานานกว่าจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเราเป็นผู้เห็นเขาตัวเราเป็นผู้เห็นเขาแล้วตัวเราคืออะไรสังขารเมื่อเห็นตัวเราเป็นสังขารเห็นตัวเราเป็นสังขารทุกครั้งไปต่อไปเนี่ยมันจะ มันจะเหมือนกับว่ามันฝังอยู่ในใจเห็นด้วยใจเลยเห็นอะไรด้วยตานี่แต่มันเหมือนกับมันอยู่ในใจตรงนี้มันเนียนมากไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ยังไม่อธิบายมันเคือว่าของเนี่ยที่มันอยู่ในใจไปหมดแล้วอะไรก็เกิดในใจดับในใจหมดมันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดในใจเนี่ยพยมเห็นนี่อย่างเรานั่งอาจจะอาจจะมาเห็นโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่มันเป็นปรากฏในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในใจมันทางตาก็ส่วนหนึ่งนะแต่ทางใจก็ส่วนนึง สิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏแล้วสิ่งนี้ก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วอะไรที่เป็นความรู้ก็คือใจใจมีความรู้คือรู้แล้วใจเป็นความว่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับในใจตรงนี้โยมจินตนาการหรือเปล่าหรือเห็นแล้ว ถ้าจินตนาการให้รู้เท่าทันว่าเออมันคิดจินตนาการพอเห็นความคิดที่เป็นจินตนาการนั่นแหละเท่ากับเห็นสังขารแล้วยมลองจินตนาการดูสิรราจะรู้ดูก่ใจว่าจินตนาการเท่ากับว่ามีสติรู้การปรุงแต่งคือการจินตนาการแล้วไม่บ อ, อกไว้พอจินตนาการเมื่อก่อนจินตนาการไม่รู้นี่ถูกปะ บัดเนี้ยเมื่อได้ยินได้ฟังพอมันจินตนาการให้เห็นโยมตัวจินตนาการเห็นตัวเนี้ยแต่มันจะไปจินตนาการเป็นยังไงไม่ต้องไปส น, สนใจสนใจอย่างเดียวว่ามันมีการจินตนาการแล้วลองยกตัวอย่างนะโยมลองทำสมมุติว่าเราเคยรู้จักผลไม้ชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้โยมเคยรู้จักหรือเปล่าผลไม้ชนิดนั้นเนี่ยมันครทุเรียนมากเลยขนาดก็ เท่าหนามก็เท่ากันไม่อบอกไห้ตอนนี้ยมจินตนาการอยู่ให้รู้ว่าจินตนาการแต่ไอที่เห็นเป็นหนามบุ่มบุมบุมบุมมันจะจริงหรือจริงไม่จริงไอ้นั้นไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าตอนนี้มันเห็นมันมีการเห็นเห็นอะไรก็เห็นเงาของทูเรียนเพราะทูเรียนไม่มีแล้วไอที่เราว่าก็ไม่มีอยู่จริงแต่การเห็นมีอยู่จริงแต่สิ่งถูกเห็น ไม่รู้อ่ะมันจินตนาการโม่โม่เมื่อกี้มีมั่วไหมเออไอไอที่สิ่งถูกเห็นน่ะที่เป็นลูกลูกเขียวๆอ่ะนะอันนั้นไม่จริงแต่เห็นน่ะคือเห็นจริงๆเข้าใจไหมว่าเห็นจริงๆเออถึ้งสูขเห็นน่ะไม่จริงแต่เห็นน่ะเห็นจริงรู้ไหมอะไรมาเห็นตอนนั้นน่ะนั่นแหละใจใจไปเห็นของไม่จริงแต่ใจน่ะเป็นความจริงความจริงที่ไม่มีตัวใจ แต่สิ่งถูกเห็นไม่จริงหลวงปู่ดุลบอกว่าเห็นนะจริงสิ่งถูกเห็นนะไม่จริงเอาเดี๋ยวมันจะขวางยากกันไปอีกเราพยายามจะพูดง่ายๆอะ่ะเอากลับมาใหม่ทุกอย่างเป็นสังขารหมดถูกไหมพี่โยมตอบอ่ะค่ะคจริงไม่จริงอะ่ะเป็นอะไรเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะ่ะ<จ>สังขารหมด <laughs> อย่าลืมอย่าลืม ที่พูดได้คิดได้มีความรู้สึกได้เคลื่อนไหวได้นะเป็นสังขารหมดแล้วต้องเห็นสังขารเดี๋ยวเรายกตัวอย่างประกอบนี้ดนะังสังขารที่มันประเภทนอกตัวเนี่ยให้เห็นการเกิดขึ้นของสังขารจริงๆมันร่วมจะเห็นมาเห็นมันมีอยู่แล้วแต่นี่เราพูดเพื่อเพื่อให้เจาะไปที่สิ่งเดียวกันนะเดี๋ยวเราลองพูดอย่างนี้นะว่าโยมพอเข้าใจไหม พอเราหยุดพูดนะยมสังเกตนะพออาตมาหยุดพูดเนะี่ยเราจะบอกว่าเวลาเราหยุดพูดเนะี่ยมันไม่ได้ยินเสียงอาตมานะยมลองดูนะว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะอา้าจากนี้ไปอาตมาจะหยุดพูดแล้วรับรู้ได้ไหมว่าไม่ได้ยินเสียงเฉพาะอาตมานะเสียงอื่นเราไม่สนใจนะพะนี้กำลังชี้มาที่เสียงอาตมา พออาจจะมาพูดนี่ตอนนี้กำลังพูดกำลังพูดได้ยินใช่ไหมเออนี่พูดออะเร็วเพื่อให้มันหยุดไงเพราะธรรมะนี่มันหมดเร็วมากไม่มีพูดอยูวพูอยู่อยู่ได้ยินใช่ไหมเออตอนนี้หยุดแล้วไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ยินมันเป็นเข้าสู่ความได้ยินเหมือนกันความเงียบคือที่พูดอย่างนี้เพื่อให้รู้ยมรู้จักสองสิ่งคือสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีเสียงเป็นสิ่งที่มี พอไม่มีเสียงก็เหลือแต่สิ่งที่ไม่มีอันนี้เฉพาะเสียงที่อาจจะมาพูดนะจับมันได้ไหมรับรู้ได้ไหมเอาใหม่นี่กําลังพูดนะมีเสียงนะมีเสียงนะมีเสียงนะนี่นี่มีเสียงนะนะยากไหมในการคือจริงๆธรรมชาติมันรู้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเราไม่ไม่รู้สิว่าเรียนธรรมะคือเรียนอะไรก็เรียนรู้ถึงสิ่งที่มีกับสิ่งที่ที่มันดับไปแล้วคือมันไม่มีเสียง พอเราพูดมันดังมันก็มีพ อ, อยุรู้ได้ใช่ไหมตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันมันรู้มันรู้อยู่แล้วเพราะว่าเสียงกับรู้เนี่ยมันคนละตัวกันคนละโตอ่าอ้อาวเสียงก็สิ่งหนึ่งรู้คือได้ยินก็สิ่งหนึ่งพอเสียงดังกับรู้เนี่ยมันพร้อมกันเลยเสียงดังปับ๊บมันก็คือได้ยินเลยพอเสียงหยุด รู้รู้ว่าไม่มีเสียงคือเสียงดับไปแล้วแต่รู้ดับไปไหมอ่ะรู้ไม่มีเสียงเออแล้วรู้มาไอตอนที่มีเสียงรู้ก็ยังอยู่ใช่ป่ะแล้วพอเสียงดับรู้ยังอยู่ไหมอะอยู่เพราะนั้นรู้ดับไหมอ่ะไม่ดับแต่ที่ดับดับเฉพาะเสียงแต่รู้ไม่หายไปไหนรู้ไม่ได้หายไปกับเสียงรู้เนี่ยเพราะว่ามันมีสองอย่างใช่พอเสียงเกิดรู้ก็รู้พอเสียงดับเสียงไม่มีแล้ว แต่รู้รู้ว่าเสียงดับแล้วเพราะนั้นรู้ไม่ได้ดับเออรู้มันรู้อยู่มันคือคือที่ดับได้คือเสียงเท่านั้นเพราะเสียงมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับแต่รู้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันจึงไม่ต้องไปไหนมันไม่ไปไม่มาเออมันได้แต่รู้ทีนี้อันนี้เรื่องเสียงนะแล้วยมรู้จักแล้วยังว่าเรื่องเสียงเนี่ยธรรมชาติภายนอกนะคือเสียงเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับ แต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือความไม่มีเสียงความไม่มีเสียงเนี่ยเป็นเป็นดั้งเดิมเป็นความว่างเดิมเดิมที่มันมีอยู่เดิมแล้วเสียงจะมีไม่มีแต่ความว่างมันมีอยู่ตลอดก็คือความไม่มีเสียงนี่มันมีอยู่ตลอดแต่พอเสียงดังเนี่ยเสียงต่างหากที่เกิดแล้วก็ดับไปแต่ความไม่มีไม่เคยเกิดไม่เคยดับแต่ทีนี้เหนือแต่ความไม่มีอันนั้นอีกคืออะไรใจทาไมใจจึงเหนือกว่าเพราะว่า ใจเนี่ยเมื่อมีเสียงใจรู้ได้ขนาดมันไม่มีอะไรใจก็ยังรู้ได้อีกมันจึงเหนือความไม่มีใจจึงอ ย, อยู่เหนือความมีแล้วก็อยู่เหนือความไม่มีเนี่ยโลกุตตะละเรื่องมีกับไม่มีเป็นเรื่องของโลกโลกเป็นเรื่องที่เป็นของคู่แต่ใจแยกเป็นหนึ่งเป็นสองไม่ได้ เป็นแค่หนึ่งเดียวคือได้แต่รู้แล้วไม่มีการเกิดไม่มีการดับเพราะมันไม่มีตัวมันไม่มีอาการมันไม่มีอะไรมันจึงได้แต่รู้นี่พูดเรื่องเสียงเลยนะเอา้าถ้าพูดเรื่องอื่นบ้างอันเดียวกันหมดเลยโยมหยิกที่ตัวดิตอนนี้ไม่หยิกยังไม่เจ็บเอาพอหยิกจีด๊ดหยิกดีถ้าไม่หยิกไม่รู้นะบอกให้อหย็กให้รู้สึกเจ็บอา้าวเราพูดถึงตอนหยิกหยิกยัง หลับแล้วเอ้าต้องทำดิทรรมะนี่ต้องพิสูจน์เออเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันได้วิชาจำนะไอ้ น, นี้วิชาจริงวิชารู้จริงจะต้องมีมีวิชาจริงเนี่ยต้องมีต้องต้องมีความจริงปรากฏเดี๋ยวพอคุยนอกเรื่องเราก็ลืม <c oughs> เอ้าเมื่อกี้ยิกนะ <c oughs> ให้เทียบกับเสียงมันเหมือนกันไหมคือไม่ใช่ว่าเสียงกับ กับเจ็บมันอันเดียวกันแต่มีลักษณะคืออยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือเอาเจ็กใหม่ปี๊บเอาบอกดีภาษาไทยเนี่ยเจ็บหรือไม่เจ็บถ้ายัางไม่เจ็บเจ็กก็เจ็บสิโยมท่มด้วยนะโยมท่มไม่ทําไม่รู้นะบอกให้นะ <c oughs> เดี๋ยวจําเขา <c oughs> บอกว่าถ้าเจ็กก็ต้องเจ็บแต่ตัวเองไม่เคยเจ็บไม่เคยรู้อันนั้นเขาเรียกว่าวิชาจำํำ <c oughs> เออคือจําคือไม่เห็นไงอย่างนี้คือรู้รู้จริงว่าเจ็บจริงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ไม่อย่างนั้นบอกว่ารู้แล้วว่าเจ็บเป็นยังไงอ๋ออันนั้นจํามา ถ้ารู้จริงว่าเจ็บนี่ต้องปัจจุบันเด้ยม่ส้มยิกยังเอออย่าเอ็กยิบนี่ยิบให้คนอื่นอื่นเลยด้วยเอาเอาเอาไวนะเอ้าตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนข้างกันได้อันนี้ไม่สนใจแล้วเอาหยุดข้างใหม่แล้วก็ให้รู้สึกเจ็บปี๊ดเจ็บไหมนี่เขาเรียกว่าความเจ็บเกิดแล้วเทียบกันได้ไหมก่อนจะหยิกคือความเจ็บยังไม่มีนะคือยังไม่เกิด แต่ความเจ็บเกิดเมื่อบิดเจ็บและเมื่อเจ็บแล้วเนี่ยความเจ็บเป็นไงคงที่ไหมอ่ะเป็นยังไงอธิบายต่ อ, อไม่คือไงความเจ็บคงที่ไหมตอนมันก็เจ็บพอเราปล่อยปอนก็เนี่ยถูกต้องถูกต้องจางคลายจางคลายจางคลายความเจ็บจางคลายแล้วก็ที่สุดคือหายไปสังขารไม่ความเจ็บไม่มีมีแล้วก็หมดไป ความเจ็บก็เป็นสังขารทีนี้ความเจ็บก็อันนึงนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องรู้เอาพูดถึงความเจ็บกับความไม่เจ็บก่อนความไม่เจ็บมีมาแต่เดิม mm hmm. แต่ความเจ็บเพิ่งเกิดและก็เพิ่งดับไป mm hmm. นะเพราะนั้นความเจ็บเป็นสิ่งที่มีมีแล้วหมดไปแต่ความไม่เจ็บเป็นอนันตการ mm hmm. เป็นพื้น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นฐานใหญ่เลยซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว mm hmm. มีอยู่ก่อนแล้วนะ ทีนี้ถามว่าแล้วอะไรมารู้ว่าความไม่เจ็บมีอยู่ก่อนแล้วแล้วอะไรมารู้ว่าความเจ็บเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอะไรมารู้ใจตอนที่เราพูดอยู่สองสิ่งนี่นะใจเป็นผู้รู้แต่ใจไม่มีตัวใจดับไหมอ่ะใจไม่เกิดไม่ดับเพราะตอนที่ไม่เจ็บใจก็รู้ระหว่างเจ็บใจก็รู้พอ เจ็บดับไปแล้วหายไปหมดแล้วแต่ใจไม่ได้หายไปไหนยังรู้และก็ยังรู้เรื่องอื่นๆต่อไปอีกใจจึงไม่ดับเพราะใจไม่เกิดไม่ดับใจมันเป็นความว่างเดิมแล้วใจเนี่ยอยู่เหนือความมีกับความไม่มีใจอยู่เหนือยังไงตอนไม่เจ็บก็รู้เหมือนกับเสียงเลยตอนไม่มีเสียงก็รู้พอเจ็บแล้วก็รู้อะแล้วก็พอรู้ความเจ็บหายไปแต่ใจไม่ได้หายไปไหนแล้วใจเนี่ยคือมันรู้ได้รู้ของคู่มีกับไม่มี ใจรู้ได้แต่ใจจึงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นคือไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นรู้หรือไม่รู้คือมันรู้แต่พื้ตระพือรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใจก็เป็นความว่างเป็นความไม่เกิดไม่ดับใจจึงเห็นความเกิดดับแล้วใจเนี่ยจึงพ้นจากเกิดดับพูดง่ายๆเลยใจพ้นมาจากเสียงใจพ้นมาจากความเจ็บนะแล้วก็อื่นๆก็เหมือนกันอีกยมเอาอะไรมาของกินได้มั้งมีอะไรพกติตัวมั้ยของที่กินได้อ่ะ ที่ติดตัวมาเออเอาแจกแจกอ้าวธรรมะมันเรื่องอายตนะนี่มันเป็นเรื่องของเสนก็ขนาดเออเอาแจกแจกเยอะนะเอาแค่เม็ดเดียวพอยิ่ของเสนเมดประเด็นของเสนนี่เรากําลังพูดถึงเรื่องขันห้าพูดถึงอายตนะพูดถึงเรื่องใจอายตนะนิพพาน เอาถุงเดียวพอถุงเดียวพอแล้วก็แจกคนละเม็ดพอไอพอรู้นนะพอเผ็ดเจออย่างนี้ไม่กินทุกทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเราไม่เคยสังเกตเองแล้วอย่าเพิ่งท้าปากนะเดี๋ได้แกง่วงได้สังขาร่แจกสังขารเอาแจกคนละเม็ดพอคน เหยิบถุง้นี่พี่ี่หยิบเองหรือว่าใครหยิบคะดีวฮะมันมันมันยังไม่ชัดเจนขนาดนี้เถอโอสาทาแล้วสงาราเรับไม่ทันเลยนาะอูสมองมันลืมตัวดิลืมมันสติไม่มาสติไม่มาจะบอกว่าเราก็ยังคิดไม่ออกเลยจะบอกไม่ใช่เราก็คิดไม่ออกมันยังบิดท่าเดียวไม่ถูกเลย่ยท่าจานได้คะเพราะว่าปิ้นเออเอาวางยังไม่เก็ได้หมดแล้วตอนเนี้ยเอาถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวขัดตอนเดี๋ยวทำมาขัดตอนอ้าวเมือออเอ่ อ, อ ก, กี้นะเราพูดถึงอายตานะทางทางหูแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ถัดมาอายตดธนาทางไหนทางกายนะ <c oughs> สัมผัสทางกายสัมผัสทางหู <c oughs> เรื่องเสียง <c oughs> เอากินจะแล้วเดี๋ยวตี <c oughs> <c oughs> โอ้ยแล้วอย่ า, ยางนี้แล <c oughs> ้วมันจะรู้ไหมเนี่ยใครกินดูใครกินจบเลย ทีนี้เรากําลังพูดอายตนะไงเอาออกนะทีนี้ตอนนี้ยังไม่แตะลิ้นนะแต่แตะไปแล้วนี่จะพูดยังไงมันย้อนหลังไม่ได้ด้อเอาเกินให้หมดก่อนเกินให้หมดก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอายตนะด้วยตอนนี้เรากําลังพูดถึงอายตนะอเออ เอาทีนี้เอาคนที่นั่นเนี่ยเข้าปากเลยแล้วสัมผัสรู้ได้ไหมว่ามีรสชาติรู้ได้ไหมนะรสชาติจะตั้งชื่ออะไรก็ช่างเหรอแต่ว่ามันมีรสชาติตอนที่ไม่เข้าปากรสชาติแบบนี้มีไหมไม่ ม, ม, ม, ม, มีตอนนี้มีมแล้วก็พออีกหน่อยหนึ่งมันตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไหมอ่ะไม่ไม่มีแล้วรู้ได้ไงอ่ะไอ้นั้นจํา แต่ยังความจริงยังไม่เกิดอันนี้ก็เรียกว่าจําแต่ถ้ารู้ก็เนี่ยต้องดูคว้าวสังเกตเมื่อกลืนหมดแล้วเนี่ยรสชาติก็ก็หมดไปนะตรงเนี้มันชี้อะไรชี้ว่า อ, อชี้ว่าอะไรเมื่อเมื่อลิ้นกระทบกับรสชาติมันก็มีการรับรู้มีความรู้สึกเข้าไหมมีการรู้พอรู้แล้วเนี่ยปรากฏว่ารสชาติเนี่ยมีแล้ว หายไปไหมมีแล้วหมดไปเป็นก็สังเป็นสังขารส่วนรู้เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวยมต้องแยกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดตอนหลังรู้เนี่ยนะมันเป็นขั้นวิญญาณจริงๆอวิญญาณมันเกิดดับเมื่อรสชาติไม่มีวิญญาณก็ดับแต่ที่เราพูดเนี่ยเราพูดเลยไปถึงใจซึ่งไม่ใช่วิญญาณวิญญาณเข้าใจไหมเนี่ยวิญญาณทางหูวิญญาณทางตาวิญญาณทางลิ้น อันนี้เกิดดับทวนไปเรื่องเสียงเมื่อเสียงเกิดวิญญาณก็รู้พอเสียงดับวิญญาณดับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องว่าพูดถึงระดับวิญญาณนักขันในขันห้าแต่ที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องพูดของใจใจหมายความว่ารู้เหมือนกันแต่เป็นสักแต่รู้ไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งต่อแต่ที่ปรุงแต่งต่อคือเป็นสังขารแต่ใจเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้จึงได้แต่รู้มันจึงเป็นวิสังขาร แต่วิญญาณที่รู้เนี่ยมันรู้พอสิ่งถูกรู้ดับไปวิญญาณก็ดับมันจึงเป็นสังขารเพราะเกิดดับได้มันมันต่างกันนิดหนึ่งลองไม่เอ่ยคือใจเนี่ยมันเป็นวิสังขารได้แต่รู้พูดไม่ได้คิดไม่ได้จำอะไรไม่ได้นะแต่ที่จำได้คิดอะไรได้รู้ได้แล้วก็อะไรได้พวกนี้จัดอยู่ในเป็นวิญญาณขันแล้วก็ กงแต่งคือมันทํางานตลอดเวลาอันนี้เกิดดับแต่ถ้าพูดถึงใจอ่ะไม่เกิดไม่ดับแต่รู้เหมือนกันแต่มันรู้ตลอดเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยเมื่อกี้อพูดเรื่องเสียงพอเสียงดังเกิดวิญญาณรับรู้ถูกไหมแล้วก็พอเสียงดับวิญญาณก็ดับพร้อมไปกับเสียงอันนี้เป็นวิญญาณนขันแต่เมื่อกี้ที่เราพูดว่าใจที่มันไม่ดับเพราะอะไรเพราะว่าตอนไม่มีเสียงมันยังรู้เลย พอมีเสียงมันก็ยังรู้ว่ามีพอเสียงดับอีกมันก็รู้ว่าดับแล้วเพราะฉะนั้นน่ใจมันจึงรู้ทั้งการเกิดทั้งการดับแต่ใจไม่ดับแต่วิญญาณเนี่ยรู้เฉพาะขนาดจิตที่เป็นผัตตะแล้วก็ดับแล้วก็ดับแล้วก็ดับ mm hmm. พอมองออกไหมใจกับวิญญาณขันนะต่างกันตรงนี้ทีนี้พอสัมผัสลิ้นเมื่อกี้อา้าวตอนที่สัมผัสลิ้นรู้ว่ามีรสชาติ พอรสชาติหายไปรู้ได้ไหมรสชาติหายไปรู้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นรู้อันนี้เป็นรู้เป็นใจแล้วก็ไม่ยึดติดด้วยนะไม่ยึดติดในรสคือได้แต่รู้อ่าแล้วก็ไอรสชาตินี้ก็หมดไปหายไปแล้วก็ตอนนี้ก็รู้ต่อไปรู้เรื่องอื่นรู้ว่าตอนนี้ยังไม่มีรสใช่ไหมหรืออาจจะมันๆกับน้ำลายอยู่ก็ก็พอรู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใจมันก็รับรู้อยู่ตลอดใจรู้ไม่ใช่เรารู้ถูกไหม ใจเป็นความรู้ที่มีคือมันรู้แต่ว่ามันไม่มีตัวใจมันจึงเป็นความว่างนะใจจึงไม่ได้เป็นรสชาติอย่างที่ว่านี้รสชาติก็คือรสชาติไปทีนี้ถ้าเราไล่อื่นๆไปแล้วนะเอาเสียงกับหูรสชาติกับลิ้นกายกระทบสัมผัสแล้วจมูกกลิ่นเหมือนกันไม่ต้องอธิบายนะข้ามขั้นเลยเนาะโยมต้องไปเล่นเราเองไปดมอะไรก็ได้แหละอาแล้วก็เหลือ ทำอารมณ์รำอารมณ์คืออารมณ์ทางใจอย่างอ น, นี้ไม่ใช่ทำอารมณอันนี้เป็นอารมณ์ที่สิ่งข้างนอกมากระทบกับอายตนะภายในเสียงอายตนะภายนอกกระทบกับหูหูเป็นหูพูดมันก็ยาวกลัวคนอื่นลําบากเราไม่อยากพูดตรงนั้นเลยอ่ะอ้อาทีนี้ทำอารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันมีอะไรมีเวทนาสัญญาสังขารสามตัวที่เกิดขึ้นในใจเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆนะสัญญาคือความจําได้อันนี้เป็นธรรมอารมณ์นะจําได้ว่าอันเนี้เป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเป็นความจําทางใจซึ่งซึ่งมันเป็นนามธรรมสี่ขันธ์นะเวทนาสัญญาจําได้สังขารคือความคิดความนึกความตึกความตรองถูกไห ม, มแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรู้อยู่แล้วในนั้นอนะ่ะเป็นธรรมารมณ์แต่สิ่งเหล่าเนี้ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับหมด แต่ใจซึ่งเป็นแบบฐานใหญ่มากเลยเป็นความว่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจรู้หมดแต่ปัญหาของเราที่มันมีทุกเนี่ยมันเพราะอะไรรู้ไหมเรามีซื่อคือมีตัวตนมีตัวเราอายัดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเหมือนกับเกิดเกิดขึ้นทางหูคือเสียงมาก็ได้ยินเราเลือกฟังเสียงไม่ได้เพราะเสียงมันอยู่ข้างนอก เสียงจะดังจะค่อยจะชัดไม่ชัดจะอ้ดอิดบอกหูแกอย่าได้ยินเนี่ยไม่ได้มันต้องได้ยิน <c oughs> เสียงเราดังไกลมากเอา้ากลิน่นถ้ามันมีกลิ่นมีจมูกดีๆไม่เสียประสาทมันก็ต้องรู้กลิน่นจะมาเลือกบอกว่าต้องชอบแต่กลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมอย่ามาอย่ารู้ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งวิญญาณไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้ตามที่มันรู้กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาว มันก็ต้องรู้จะเลือกจะเลือกเอาว่าต้องรู้แต่ที่มันสบายสบายอุ่นอุ่นแล้วเย็นอย่ามารู้ไม่ได้มันต้องรู้หมดอ ะ, อะไรแล้วโอตาจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันอารมณ์ทางใจเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเลือกได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอารมณ์ทางใจมันเกิดมาก็ก็ต้องรู้ถึงไม่รู้มันก็ต้องรู้แต่ถ้ารู้ด้วยใจจริงๆรู้แบบไม่ยึดถือ รู้แบบซื่อๆจริงๆอ่ะเนี่ยมันไม่ทุกแต่ที่มันทุกเพราะมันเกลียดอาการที่เกิดขึ้นในใจว่าไอ้นี้เกิดอีกแล้วไม่อยากให้มีใช่ไหมไม่อยากให้มีพอสุกมีชอบอยากให้อยู่นานพอไม่สบายใจไม่ชอบอยากถักไสมันก็ดิ้นมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ด้วยใจรู้แบบซื่อๆมันสุขก็รู้ซื่อๆคืออย่าเอาไปรู้อ่ะอย่าเอาเราไปรู้ให้มันให้ใจมันรู้ของมันมันรู้ได้อยู่แล้วซื่อๆ อ่าสุกมันก็รู้ซื่ อ, อไม่สบายใจเบื่อแทงมันก็ซื้อถูกไหมใจมันซื้ออยู่แล้วอะไรกับมันเกิดขึ้นในใจใจรู้หมดจะดีไม่ดีมันรู้หมดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราเด้เรื่องภาคปฏิบัติมันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมเออนี่มันผิดอตรงเนี้ยแล้วก็ อ, กอย่างบอกว่าเราไม่มีเราไม่ ม, ม, มีก็ยังไปให้มีเราดูดิเราไม่มีก็จะให้มีเราอยู่แน่นแนะ แล้วก็บอกแต่ก็หนูทําไม่ได้เอาก็มาแตกแล้วเดี๋ยวตีหัวเลย <S <S <S บอกแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นตัวขวางไม่ต้องมีแต่ที่วขาทนทุกข์ เ, ออเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ในใจที่เกิดขึ้น่ะจากนี้ไปนะโยมให้ชํา ใ, ให้ชินให้ชินต่อการรู้ว่าเออได้ยินได้ฟังแล้วเขาบอกว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจก็แค่รู้แค่รู้มันโกรธแล้วก็แค่รู้มันสุขแล้วก็ก็รู้แค่รู้มัน สบายดีก็แค่รู้มันเซ็งมากแล้วก็รู้แล้วไอ้สิ่งถูกรู้ทั้งนั้นอะมันเที่ยงที่ไหนเราก็มันแปลเปลี่ยนมาแปลเปลี่ยนมาตลอดถูกไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกเราตั้งนานแล้วว่าอะไรก็ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ฟังมาเต็มรู้หูทุกเช้าแถมสวดเองต่างหากอีกนะแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่มันมันทําไมมันหลงไปเป็นทุกข์ได้อ่ะไม่หลงได้ไหมอะ เนี่ยตอนนี้เลยนะถ้าเราคิดว่าอนาคตหลงไม่หลงไม่รู้แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วไม่หลงยมพ้นทุกข์ในปัจจุบันใช่ไหมแล้วพอมันบอกว่าแต่หนูต้องอ่าไอต้ตรงนั้นต้องรู้ทันสังขารที่ปรุงแต่งคาว่าแต่แล้วก็เห็นแล้วก็วางไปพอมันแต่ใหม่เห็นใหม่พอมันแต่ใหม่หหมมหมก็เห็นใหม่เห็นแล้วสักแต่เห็นนี่ยเพราะแต่นี่ก็คือความคิดใช่ไหมเป็นสังขารสังขารเกิดขึ้นก็เห็นแล้วก็มันก็ผ่านไป แล้วก็แต่ตัวที่สองเห็นแล้วก็ผ่านไปอ๋อแต่ตัวที่สามมาอีกที่สี่มาอีกก็เห็นแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปดับแต่ไม่ต้องไปดับมันแต่แค่เห็นว่ามันมันพูดมันมันคิดมันนึกมันพูดก็มีใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่แล้วเออก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติง่ายๆถึงก็บอกว่าให้รู้ที่ใจให้ดูที่ใจแล้วมันก็เกิดก็เกิดที่ใจมันก็ดับที่ใจเวลาปล่อยวางมันก็ปล่อยวางที่ใจเราฟังไม่ออกกันเราอยากจะสมมุติว่าคําว่าใจเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพเนี่ย สมมติเรามีถาดใบใหญ่ก็แล้วกันถาดถาดนี้อุปมาใจนะแต่ไม่ใช่ใจนะถาดมันเป็นถาดว่างถูกป่ะนึกออกนะเออจินตนาการเป็นถาดว่างไม่มีผลไม้ไม่มีอะไรเลยมีแต่อากาศที่มองไม่เห็นซึ่งมันก็อยู่ใน ใ, ในถาดเนาะแต่เรามองไม่เห็นเอาเอะมองไม่เห็นแต่สิ่งที่มองเห็นเช่นเอาผ ล, ลไม้หลายชนิดมาใส่ใส่ใส่ๆใสแต่ถาดอะมันเป็นใจคือมันว่างจะมีผ ล, ลไม้หรือไม่มีมันก็ยังเป็นถาดมันก็ว่างอยู่แล้วถูกไหม แต่ผ ล, ลไม้นานาชนิดมาใส่ใส่ใส่ๆๆๆๆอันนี้แสดงว่ามันมามันเกิดมามาใส่แล้วพอตอนหลังมันไม่เที่ยงมันก็ต้องออกไปก็เป็นถาดว่างแต่ถึงจะมีผ ล, ลไม้เต็มถาดถาดก็ยังเป็นถาดก็คือยังเป็นว่างอยู่ใจก็เหมือนกันจะมีทุกข์จะมีสุขในใจหรือไม่อ่ะไม่สนใจใจมันเป็นความว่างแต่ทุกข์สุขจากะเหมือนกับผ ล, ลไม้ที่มาใส่แล้วก็สุดท้ายมันก็ดับไฟหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเข้าใจเรื่องเนี้ยต่อไปการปฏิบัติเพื่อสักแต่รู้เนี่ย มันจะง่ายเพ ร, Tim, เพราะโยมไม่ต้องทําอะไรนี่โยมไม่ต้องทําอะไรใจมีอยู่แล้วแต่สิ่งทีง่ต้องทําก็เนี่ยอยิริยาบถซึ่งเป็นธรรมชาติขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้กระทั่งเจตนาจะทํามันก็เป็นสังขารใช่ไหมเจตนาจะทําเป็นสังขารไม่เจตนาก็เป็นสังขารแต่ใจไม่ต้องไปยุ่งมันเพราะมันเคลื่อนไหวไม่ได้มันได้แต่รู้เพราะนั้นก็สังขารก็เคลื่อนไหวไปเดินไปเดินมาเดินยกแขนยกมือเป็นสังขารหมดเลย เออสังขารเมื่อเป็นอย่างนี้ขั้นตอนการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกต้องหยุดความปรารถนาที่อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะเป็นอะไรไม่มีสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่มีคือสังขารกับวิสังขารเท่านั้นเองไม่แค่ว่าจะไปให้ถึงจะไปจะเอาตัวเราจะไปให้ถึงไหนไม่มีตัวเราไม่มีจะไปนะก็รู้เป็นปัจจุบันเท่านั้นแหละแล้วก็แค่รู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้ก็ทิ้งไปรู้แล้วก็ปล่อย คำว่าปล่อยที่นี้คือสักแต่รู้ค <c> ือไม่ยึดถือนถ้าสักแต่รู้นี่คือปล่อยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่โยมเคยจินตนาการว่าต้องปฏิบัติทำต้องให้เราพ้นทุกข์ต้องให้เราเข้าถึงนิพพานต้องให้เราเป็นพระอริยะไอ้นั้นเนี่ยเราคิดเอาเองเป็นสังขารความคิดก็เป็นสังขารในความตั้งใจก็เป็นสังขารความปรารถนาก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไม่มีเราผู้ตั้งใจก็ไม่มีมีแต่สังขารที่มันตั้งใจของมัน มีแต่สังขารที่มันคิดมันนึกก็รู้เท่าทันว่ามันเป็นสังขารไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ห้ามอะไรแต่รู้เท่าทันว่ามันเป็นสังขารแล้วอยากเข้าไปยึดไปเป็นเพราะนั้นเนี่ยเมื่อโยมตรงนี้ความปรารถนาที่โยมอยากได้นี้ผ่านไม่มีแล้วเพราะตัวโยมไม่มีแต่ถ้ามันจะบอกว่าก็อยากได้จริงๆก็คือสังขารอีกแล้วถูกไหมมีแต่สังขารเท่านั้นที่มีนอกจากสังขารแล้วเป็นความไม่มี เพราะนั้นน่ะที่มันมีนั่นมีนี่มีเรามีเขามีเราอยากจะบรรลุเนี่ยนี่คือสังขารทั้งหมดเลยเออเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่ยึดถือมันก็เข้าถึงความว่างเลยเพราะไม่มีตัวตนไม่มีผู้ยึดเห็นสังขารให้เท่าทันอย่าไปหลงยึดว่าเป็นเราเนี่ยตรงเนี้ยย้ำเลยรู้เท่าทันนี่สติเต็มสปีด บอกว่าถ้าไม่ฝึกสติไม่ฝึกรู้ไม่ฝึกดูอย่างไงก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นมีความเพียรจะเดินจะนั่งจะนอนก็อย่างน้อยก็เห็นเราเรานั่นแหละคือสังขารเออแล้วก็ในเนี่ยมันก็มีพูดมีคิดมีนึกโอ้ยเป็นคิดยุกยิบยิบคิ ด, คดตลอดเลยเห็นนั้นแต่เราไม่ต้องไปตั้งใจว่าที่จะดูความคิดหรอกดูง่ายๆคือรู้ตัวเราทั้งตัวแหละ <c oughs> ยมลองดูทีสมมติเรายมดำรีแค่ว่าเรายังไม่พ้นทุกข์สมมติพูดขึ้นมาคำเนี้ย มันสามารถเข้าใจได้เลยว่ามีตัวเราทั้งตัวเป็นผู้บอกว่ายังไม่พ้นทุกตัวเราทั้งตัวเป็นผู้พูดเพราะฉะนั้นตัวเราทั้งตัวนั่นแหละคือขันทั้งห้าเห็นแล้วไม่ยึดถือแต่ตัวก็ยังมีเหมือนเดิมอาจจะยังคิดได้เหมือนเดิมแต่เป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วถูกเห็นด้วยใจใจเป็นวิสังขารสังขารเป็นสังขารแล้วก็มันไม่ดูดซับซึมเข้าด้วยกันเพราะอะไรมัน มันแยกกันเด็ดขาดโดยธรรมะอยู่แล้วสังขารกับวิสังขารเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้มันต้องเป็นสองสิ่งมันจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารกับวิสังขารมันจึงเป็นของเป็นธรรมะคู่ที่ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเรายกตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบนะเช่นท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าคือเหนือพื้นดินขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปนี่เป็นท้องฟ้าส่วนนกคือ สิ่งที่บินได้ในท้องฟ้าถูกไหมจะให้นกเป็นท้องฟ้าไม่มีวันจะเป็นได้จะให้ท้องฟ้าเป็นนกก็ไม่มีวันจะเป็นได้นกจะทำอย่างไงจะให้เป็นท้องฟ้าก็เป็นไปไม่ได้นะแล้วก็ไอ้ท้องฟ้านี่ทําไปทำมายมันเป็น น, นกหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นสังขารกับวิสังขารอย่าไป้ายกันถ้ามันเป็นสังขารอย่าไปทําให้เป็นวิสังขารมันทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าอย่างเนี้ยโยมจึงอย่าได้แทรกแซงสังขารว่า ต้องหยุดต้องหยุดต้องหยุดเพื่อเป็นวิสังขารนะไม่ใช่มันอย่างนั้นมันผิดเพราะสังขารก็คือสังขารแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยเราพยายามจะหยุดมันใช่ไหมอย่าลังงับมันจะหยุดมันเพื่อให้มันเป็นวิสังขารคือให้เป็นความนิ่งให้เป็นความไม่มีไม่ได้ความไม่มีคือความไม่มีที่มันมีอยู่แล้วเรียกว่าใจส่วนสังขารเป็นความที่มีแล้วก็หมดไปหมดไปหมดไปให้มันอยู่อย่างเนี้ยล่ะไปจนกว่าชีวิตจะแตกดับไปแค่นี้ยทนทุกข์ เพราะมีปัญญาแล้วมีปัญญาคือเห็นเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะเห็นความจริงแล้วไม่หลงไปยึดถือพ้นทุกข์แล้วถ้าปัจจุบันนี้ระหว่างที่พูดที่อะไรให้ฟังเนี่ยเห็นตามได้เห็นแล้วจริงๆไม่มีอะไรเลยมีแต่สองสิ่งนั้นแหละมันก็พ้นทุกข์แล้วพ้นจริงๆแล้วมีทุกข์อะไรเอา้าไหนลองบอกสิตอนนี้เดี๋ยวเนี่ย เดี๋ยวก็หนูกลับบ้านอีกอะไฟอีกแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นพอบอกว่าหนูจะกลับบ้านใช่ไหมคืออะไรความคิดใช่ไหมนี่ต้องรู้เท่าทันว่ามันคือความคิดมันคือสังขารแล้วก็วางมันทุกข์ไม่มีอยู่จริงหรอกไอ้ที่มันมีอยู่จริงเหมือนกับว่าความคิดมันบอกว่ามีอยู่จริงแต่เมื่อไม่มีความคิดอ่ะตอนตอนหลับตอนหลับอ่ะมันมีทุกข์ไหมล่ะไม่มีที่มันไม่มีเพราะว่ามันไม่คิดเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่ไม่หลับเนี่ยมันมีความคิด ก็รู้ความคิดว่ามันเป็นสังขารแล้วก็ให้มันผ่านไปมันก็ไม่ทุกข์แต่ตอนหลับมันไม่คิดก็เลยไม่รู้ทั้งทุกข์ไม่รู้ทั้งสุข ก, ก็คือทุกข์ไม่มีกันแล้วกันอ่าแต่ตอนเป็นเนี่ยตอนตื่นเนี่ยมันมีความคิดก็ให้เห็นแค่ว่ามันมีแต่ความคิดนอกจากความคิดมันเป็นความว่างไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงว่ามีทุกข์จริงๆตความคิดนั่นแหละ มันมันมันปัญหาหลังความคิดนั่นเองความคิดเลยเป็นทั้งทุกเป็นทั้งสมุทัยเลยอ่ะทุกคือความที่เรียกว่าเป็นทั้งทุกคืออะไรทุกความคิดเป็นสิ่งที่ไม่มีแล้วมีใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นสังขารจึงได้เป็นสังขารเขาเรียกว่าทุกเพราะฉะนั้นความคิดก็เป็นทุกอ่าแล้วก็ทีนี้ถ้ารู้ไม่ทันความคิดความคิดเนี่ยมันหอบพิวพวกโลภะโทสะขึ้นมาตามติดมาก็กลายเป็นนั่นแหละเป็นเป็นโลคโกรธหลงไปเลยเเพราะนั้นเนี่ย ต้องรู้เท่าทันความคิดแต่ก็ไม่ห้ามเลยนะถ้าโยมเห็นความคิดเก่งๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็เห็นมันอ่ะมันพูดมันคิดก็เห็นเพราะว่ามันมีใจเป็นผู้เห็นแล้วเนาะมีใจเป็นผู้รู้เนี่ยก็เลยไม่เดือดร้อนเลยแล้วความรู้สึกว่ามันแจ้งด้วยนะมันแจ้งต่อสภาวะเห็นสังขารไงเห็นสังขารที่ปรากฏขึ้นเนี่ยยิบดิบดิบดิบิบิบิเห็นอย่างเงี้ยก็ไม่เดือดร้อนใจ เหมือนกับว่ามันไม่มีผลทางใจอ่ะเพราะว่าใจเนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาแล้วนี่ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังพิจารณาแล้วก็ภาคปฏิบัติก็เป็นใจที่ที่หลุดพ้นเป็นใจที่ไม่ยึดเป็นใจที่พ้นพ้นจากอะไรพ้นจากสังขารพวงแต่งก็พ้นเด็ดขาดก็คือไม่ทุกเด็ดขาดเลยเชือกขาดเหมือนหลงคาเทีนเลยเชือกขาดต่อไม่ติดตัดปุ๊บเลยถูกตัดแล้วก็ต่อไม่ติดเพราะว่าวิสังขารกับสังขารเนี่ยมันมันไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวนะ